หากจำเป็นต้องโกหกบ้างจะเป็นไรไหมถามถ้าจำเป็นต้องโกหกบ้างนิดๆหน่อยๆกดแห่งกรรมถือว่ายุวนๆให้บ้างไหมตอบผมไม่ได้มีหน้าที่พิทักษ์กดแห่งกรรมนะครับคงไม่อาจเป็นตัวแทนธรรมชาติหยวนหรือไม่หยวนให้คุณคุณได้สักแค่ไหน เอาเป็นว่าตัดสินใจอย่างไรก็ขอให้รู้อยู่ว่าตัวเองมีความละอายติดจิตติดวิญญาณแค่ไหนก็แล้วกันขอให้พิจารณาตามจริงว่าแม้เราจะไม่โกหกเป็นประจำแต่ลงถ้าได้เริ่มต้นออกจากจุดสตาร์ทแล้วก็มักจะเหมือนเราก้มหัวให้ใครเขาใช้ถูกใช้ได้ครั้งหนึ่งก็จะอ่อนแอลงนิดหนึ่งพอเขาใช้อีกเราก็อาจจะยอมก้มหัวอีก ในที่สุดหัวเราก็อ่อนลงเรื่อยๆจนกลายเป็นขี้ข้าตัวมูสาไปเต็มยศนี่แหละผมสรุปว่าที่มาของการโกหกใหญ่ก็คือการโกหกเล็กๆนั่นเองโดยเฉพาะถ้าโกหกเล็กๆโดยปราศจากความละอายแรงขับดันให้โกหกมักจะมาจากคำว่าจำเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้มันอยู่ที่เราตัดสินใจเลือกถ้าใช้ความฉลาดกันจริงๆ ก็อาจไม่จำเป็นต้องโกหกเต็มๆหรอกลหลายๆเรื่องเราเอาความจริงส่วนที่ไม่เสียหายมาพูดได้เพราะเราไม่จำเป็นต้องพูดทั้งหมดในทุกเรื่องอยู่แล้วขอให้สังเกตจากชีวิตประจำวันว่าคำพูดนั้นดิ้นไปได้เรื่อยๆครับปากพูดอย่างหนึ่งแต่ใจเล็งอีกอย่างหนึ่งจิตคิดพูดของคนในโลกมันเบี่ยงเบนไม่เป็นไปเพื่อการเห็นตามจริง แต่เป็นไปเพื่อตัวตนเป็นไปเพื่อให้คนอื่นเห็นเราตามที่เราอยากให้เขาเห็นลองฝึกฝนดูใจเล็งอย่างไรปากพูดตามนั้นก่อนพูดก็ทำตัวเป็นนายคำพูดสั่งให้เกิดแต่คำพูดที่เป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบน้อยที่สุดเมื่อคิดก่อนพูดบ่อยเข้าชีวิตจะลงตัวไปเอง ความจำเป็นต้องโกหกจะค่อยๆหายไปจากชีวิตเราจนกระทั่งไม่เหลือเลยจนได้ละนะธรรมชาติเข้าไม่ใจไม้ไสระกรรมกับคนตั้งใจดีมีใจจริงหรอครับ